วนที่หนุ่มเจริญย้ายจากบ้านสามกระดไปอยู่กับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราให้คุณเปี่ยมกับคุณประพจน์มาส่งถึงบ้านครูสอนที่พญาไทคุณประพจน์ไม่อยากให้คนที่เป็นทั้งญาติและเพื่อนที่เขาสนิททิชเชื่อออกไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะเกรงใจบิดาจึงไม่กล้าโนงน่งเหนียวหรือทัดทานอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นว่า คุณเจริญถนัดทางดีสีตีเป่าคงจะยึดเป็นอาชีพได้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไปขี่รถเครื่องไต่ถังซึ่งคุณกันเทียงต้องเสียชีวิตเป็นคนหนึ่งแล้วหลวงทารามอบเงินให้หลานชายสิบช่างสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนและใช้จ่ายส่วนตัวถ้าเงินหมดก็ให้มาขอใหม่ หรือไม่ก็ฝากสั่งมาทางพ่อประพศเพราะคนทั้งสองยังต้องพบกันอีกด้วยว่าเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันคุณหญิงห่วงกับคุณสายใจไม่อยากให้หลานไปแต่เมื่อรู้ว่าประมุขของบ้านต้องการให้หลานปู่เป็นผู้รับมรดกทางดนตรีไทยจึงต้องพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยส่วนลูกสาวคุณสายจิตซึ่ง บ, บัดนี้ เหลืออยู่สี่สาวนั้นแทบจะพากันประท้วงเพราะชอบพอกับคุณเจริญมากกว่าคุณประพ์ผู้ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาตั้งแต่เด็กๆครั้นหนุ่มน้อยให้เหตุผลว่าเขาจะได้ดีมีวิชาและคงจะสบายอกสบายใจกว่ายอยู่บ้านสามกระไดพวกเธอจึงยินยอมให้เข้าไปโดยเฉพาะคุณสายแก้วกับคุณสายทานนั้นรู้ดีว่า คุณเปี่ยมมีจิตริษยาคุณเจริญการไปเสียให้พ้นหูพ้นตากันก็จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายแม่วาดและพวกสาวๆในครัวออกมาช่วยหลานชายคุณหลวงขนของลงเรือสมบัติส่วนตัวเขามีเพียงหีบหวายใส่เสื้อผ้ากับหนังสือเรียนแต่ที่บ่าวไพร่ต้องสารวนขนลงเรือนั้นเป็นสมบัติที่ท่านประมุขของบ้าน มอบเป็นมรดกแกหลานชายคือวงปีพาดเครื่องคู่ที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะยกให้หลวงทารารู้นิสัยหลานชายดีว่าถ้าลงได้ออกไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอยู่ด้วยอีกกราบใดที่คุณเปี่ยมยังอยู่ในบ้านหลังนี้ท่านคิดอย่างรอบครอบว่าตัวเองชารามากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่อาจรู้ได้ ถ้าท่านตายไปหลานชายก็คงไม่กล้ามาทวงสิทธิ์หรือหากว่ามาคุณเปี่ยมคงไม่ยอมยกให้ง่ายๆฉะนั้นเพื่อตัดไฟเสตต์ต้นลมท่านจึงจัดการเสรตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนั้นท่านได้จัดการแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกๆหมดทุกคนแล้วบ้านสามกระไดและทรัพย์สมบัติในบ้านตกเป็นของคุณใสาใจบุตรสาวคนโต แม้ท่านจะไม่ชอบคุณเปี่ยมนะักหากความเป็นผู้ใหญ่ทำให้ต้องวางอุเบกขาจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาต้องเข้ามาเกี่ยวดองเป็นสามีบุตรสาวเป็นบิดาของพ่อประพ์ด้วยวัยและประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีท่านจึงสังเกตรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเปี่ยมกลับเข้ามาขออยู่บ้านสามกระไดรู้ว่าบุรุษนี้ มีจิตด้วยสยาหลานชายของท่านพจน์เจริญก็แสนฉลาดรู้เท่าทันว่าลุงเขยชังตนหากก็ไม่เคยปริปากบอกผู้ใดทั้งยังพยายามทำตนให้เข้าเมตตาแต่จิตใจของบุตรเขยคงจะหยาบกระด้างเกินกว่าจะรับรู้ถึงความดีงามใดๆจึงไม่สามารถขจัดโทสาคติที่มีต่อหลานพัญญาให้ออกไปจากใจได้ หนุ่มน้อยคลานเข้าไปกราบเท้าคุณหลวงและคุณหญิงพลางกล่าวลาแม้จะรู้สึกผูกพันด้วยท่านเป็นบุพการีหากความรู้สึกนั้นก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนที่มีต่อยายอาจเป็นไปได้ว่าเขาอยู่กับยายมานานกว่านั่นเองโชคดีนะพ่อคุณอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียนย่าบาง คุณหญิงลูกหัวหลานชายอย่างปราณีน้ำตาไหลก็รินลงอาบแก้มที่เหี่ยวย่นด้วยความชราต่างอกต่างใจเรียนหนาหลานอย่างน้อยใหเก่งเท่าโปหรือถ้าเก่งกว่าโปก็ยิงเด้แล้วการเรียนที่โรงเรียนก่อยาทิ้งต้องเอาใจใส่ให้มากต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหนาหลานนะ คุณหลวงทั้งอวยพรและสอนสั่งครับผมจะพยายามทำตามที่คุณปูบ่บอกและจะมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าทุกเดือนเขาให้สัญญาขณะเดียวกันก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาเยี่ยมเท่านั้นไม่ใช่กลับมาอยู่ตราบใดที่บ้านสามกระได ย, ยังมีคุณเปี่ยมตัวเขาจะไม่กลับมาอยู่อีกเป็นอันขาดคุณสายใจว่าจะไม่ร้องไห้หาก็อดไม่ได้ แม้พ่อเจริญจะมาอยู่ด้วยไม่ทันถึงสองปีแต่เธอก็รักและเมตตาเขาไม่แพ้หลานสาวห้าคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอชแล้วต่อไปนี้ใครจะมาช่วยป้าทมกับข้าวใครจะตำน้ำพริกปลาร้าให้ป้าทานมารดาคุณประพนพพูดทั้งน้ำตาเอาไว้ผมจะมาทำให้คุณป้าฐานเดือนละครั้งดีไหมครับขอให้มาจริงๆเถอะป้ากลัวว่า ไปแล้วก็จะลืมบ้านสามกระไดเส้นสิเธอคาดการคุณสายใจรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเปี่ยมสามีของเธอมีจิตริษยาและชิงชังพ่อเจริญแต่เพราะอย่างให้พ่อประพ์ได้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเหมือนเด็กอื่นจึงต้องเลือกเขาให้อยู่ในบ้านแทนหลานชายคนโปรดไปอยู่ที่ใหม่คงต้องลำบาก เห็นว่าต้องหุงหากินเองไม่ใช่หรือถามอย่างห่วงใหญ่ครับแต่ผมไม่กลัวลําบากหรอกครับคุณป้าเพราะคุณยายสอนอยู่บ่อยๆว่าคนไหนรักตัวจะต้องไม่กลัวลําบากผมเป็นคนรักตัวกลัวตายครับถ้าเช่นนั้นคนที่ไม่รักตัวแปลว่าเขากลัวลําบากคุณยายสอนผมอย่างนั้นครับเพราะคนที่กลัวลําบาก ความยากมักมาถึงคุณยายพ่อเจริญคงจะสอนเก่งสินะเรียกว่าเทศเก่งนะครับคุณป้าผมฟังคุณยายเทศทุกวันจนชินถ้าท่านเป็นพระเห็นจะได้เป็นมหาพระวาะเทศเก่งนี่แหละนั่นสิถ้าคุณยายเกิดมาเป็นผู้ชายป้าว่าท่านคงบวชไม่ศึกเชียวละแต่ก็ไม่แน่หรอกนะพระที่เทศเก่ง มักถูกสีการนิมนตให้ศึกอมไปเฝ้าบ้านป้าเห็นมันนักต่อนักแล้วพูดถึงพระผมยังไม่หายกโกรธหลวงตาวัตโนดเลยนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงบุญคุณลุงหมันแท้ตั้งเขาเป็นคนดีมากลูกๆเขาก็ดีทุกคนที่ผมประทับใจมากก็คือความมีขันติของเขาเย็นวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อในชุนมายืนด่าเปา่ปาๆหน้าบ้าน พูกลูกพากันโกรธไปตำตามกันแต่ลุงกลับห้ามว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ใช่เรื่องของเด็กนายฉุนก็ท้าให้ออกไปสู้กันลุงหมั่นก็ไม่ยอมออกไปนั่งยิ้มฟังเขาด่าอยู่ในกระท่อมนายฉุนถึงกับเอาหัวชนต้นมะพร้าวเป็นการประชดในที่สุดเมียแกต้องมาลากเอาตัวกลับไปบ้านตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใรใจเย็นเท่าลุงคนนี้ผมแอบชื่นชมในใจและคิดว่า จะเอานิสัยแบบนี้ไปใช้บ้างจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับใครเจ้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่านายชุนแกเป็นนักเลงหัวไม้ส่วนลุงมันเป็นนักเลงหัวหมอคุณเปี่ยมรู้สึกร้อนร้อนหนาวเมื่อฟังเรื่องราวที่หลานพัญญาเล่าอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มน้อยพูดประชดตนจึงถือโอกาสพูดขึ้นว่าไปกันหรื อ, อยังละ่ะพ่อเจริญพ่อประพศเข้าไปรอที่เรือนานแล้ว เหตุนี้หนุ่มน้อยจึงต้องเดินลงบันไดไปยังเรือที่นายแรมติดเครื่องรออยู่แม่วาดและพวกสาวๆในครัวพากันลงมาส่งถึงเรือคุณสายใจยืนส่งตรงหัวบันไดเรือกำลังจะออกเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้เตรียมเครื่องครัวและสเสบียงกลางให้หลานด้วยว่าเขาจะต้องไปหุงหากินเองจึงบอกนายแรมว่า ดับเครื่องก่อนฉันต้องไปตรีมสเสบียงให้พ่อเจริญแล้วหันไปทางแม่วาดขึ้นไปช่วยกันเตรียมเครื่องครัวให้หลานชายฉันหน่อยจะได้ไม่ต้องไปซื้อหรือไปหยิบยืมของคนอื่นเข้าของเครื่องใช้ที่บ้านเรามีมากมายกายกองคุณเปี่ยมรู้สึกไม่พอใจหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาใจนั้นอยากจะให้ไปเซยพ้นเพราะเจ้าหมอนี่มาแย่งความรัก ของลูกและของเมียไปจากเขาสามสนาทีต่อมาในแรมก็ติดเครื่องยนต์เรืออีกครั้งจากนั้นจึงแล่นออกจากคลองบางแวกไปเข้าคลองบางหลวงผ่านตลาดพลูไปออกแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเข้าไปทางคลองเปรมประชากรต้องแล่นเรือเข้าออกอีกหลายคลองกว่าจะถึงพระญาไทยผู้โดยสารสามคนพากันนั่งเงียบ คุณประพศกับคุณเจริญก็ไม่คุยกันเหมือนแต่ก่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านครูสอนศิลปะบรรเลงตั้งอยู่ในสวนมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดส่วนใหญ่เป็นต้นหมากับต้นมะพร้าวที่เหลือเป็นไม้ผลเช่นชมพู่มังคุดมะม่วงฝรัง่งและมะยมพื้นที่ด้านที่ตะวันตกติดลาคลอง ซึ่งเรือแล่นผ่านไปมาได้สวนตัวบ้านอยู่ลึกเข้าไปในสวนประมาณ200เมตรเมื่อเรือมาถึงสาลาท่าน้าตรงทางเข้าบ้านคนทั้งสี่จึงช่วยกันลำเลียงเข้าของขึ้นจากเรือนำมาวางไว้ให้ไกลตาผู้คนผูกเรือเปล่าไว้กับบันไดท่าน้ำช่วยกันถือของคนละมือคนละไม้เดินเข้าไปยังตัวบ้าน หนุ่มน้อยได้อยู่เรือนหลังเล็กห่างจากเรือนใหญ่ประมาณสิบว่าคุณประพศกับนายแรมช่วยขนของเสร็จก็ช่วยจัดบ้านอย่างลูกลลกจากนั้นจึงพากันกลับเมื่ออยู่คนเดียวคุณจเจริญใช้เวลาในการจัดของให้เข้าที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วจึงเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นซึ่งคุณสายใจได้จัดเตรียมข้าวสารและของแห้ง พร้อมเครื่องครัวครบครันมาให้อดไม่ได้ที่จะคิดถึงผู้เป็นป้าและคิดเลยไปถึงยายความว้าเหวเข้าครอบงำจิตใจอยู่ชั่วครู่แต่แล้วก็กลับมาลายหายไปเมื่อคิดถึงลุงหมันแท่ตั้งหมอจีนผู้ชุบชีวิตใหม่ให้แก่เขาเราจะต้องอดทนลูกผู้ชายจะท้อแท้ไม่ได้ลุงลำบากกว่าเราหลายเท่ายังทนได้ เรายังโชคดีกว่าล so ุงตรงที่รับผิดชอบตัวเองเท่านั้นแต่ลุงสิต้องรับผิดชอบตั้งสิบชีวิตลุงครับถ้าผมอยู่ในภาวะที่จะช่วยลุงได้ผมจะไม่ลังเลเลยแม้นาทีเดียวเขาตั้งปณิธานแน่วแน่อิ่มข้าวมื้อเย็นอย่างง่อยเหงาแล้ว หนุ่มน้อยจึงเดินไปยังเรือนใหญ่เพื่อเรียนวิชาขึ้นครูเสร็จเรียบร้อยครูสอนจึงต่อเพลงแขกลบบุรีให้เป็นเพลงแรกรู้สึกประหลาดใจที่คนเป็นศิษย์เล่นได้อย่างถูกต้องและไพเราะเพรา ะ, ะพริง้งไม่แพ้คนเป็นครูจบเพลงแขกลบบุรีครูสอนจึงต่อด้วยราตรีประดับดาวเป็นเพลงที่สอง รันหนุ่มน้อยเล่นได้อีกเขาจึงออกปากชมเกง่งจริงๆพ่อนุ่มสมกับเป็นทายาทของหลวงทาราโดยแท้ตั้งแต่ฉันมีลูกศิษย์มายังไม่เคยมีใครเล่นได้เก่งเท่าเธอเลยยังเพลงแขกลบบุรีนี่หัดกันเป็นเดือนกว่าจะเล่นได้ไพเราะยังเก่งก้นหนึ่งสัปดาห์เพิ่งมีเธอเป็นคนแรกที่เล่นได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงผมพอมีพื้นมาบ้างครับครู ก็เลยพอเล่นได้คนเป็นสิทธิพูดอย่างธรรมตนแล้วเธอเคยเล่นสองเพลงนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยครับเคยแต่ได้ยินเพิ่งจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกสแสดงว่าเธอมีหัวทางนี้วันข้างหน้าเธอจะได้เป็นนักรนาดมือเอกเช่นเดียวกับุนปู่ของเธอฉันมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นและขออวยพรขอพระคุณครับ หนุ่มน้อยกระพุ้มมือว่าอย่างนอบน้อมเอาล่ะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เธอจะได้พักผ่อนเพราะเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับคุณปู่บอกว่ามีรถรางผ่านผมยังไม่ทราบว่าจะไปขึ้นที่ไหนเธออยู่โรงเรียนอะไรล่ะครูสอนถามโรงเรียนสวนกุหลาบครับ ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปรถรางไปเรือกับลูกสาวคนเล็กของฉันก็แล้วกันเขาเรียนที่ราชินีล่างไม่ไกลจากโรงเรียนเธอเท่าไหร่รู้สึกเธอโชคดีหลายอย่างนะโดยเฉพาะวงปีพาดเครื่องคู่ที่คุณปู่เธอให้มานี้เป็นของที่หาไม่ได้อีกแล้วขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีการเป็นนักระนาดมือเอกนั้นเครื่องดนตรีก็มีส่วนช่วยเสริมด้วย นอกเหนือจากความสามารถส่วนตัวบางคนฝีมือดีแต่เครื่องดนตรีคุณภาพด้อยก็ทำให้เล่นได้ไม่ไพเราะเท่าที่ควรเอาละเธอกลับที่พักได้พรุ่งนี้เรือออกกี่โมงครับหกโมงครึ่งเธอมารอที่นี่ก็แล้วกันแล้วคนขับเรือเขาจะกลับมาก่อนหรือว่ารอรับกลับตอนเย็นด้วยครับรอรับกลับตอนเย็นหนทางมันไกล จะไปจะมาเสียเวลามากเปลืองน้ำมันด้วยฉันก็เลยแหกเอาเปลือห ม, มากรากไม้ใส่เรือไปขายที่ปากคลองตลาดเป็นการข้าเวลาก็เพราะได้ค่าน้ำมันและค่าจ้างคนขับผมจะช่วยค่าน้ำมันด้วยครับเขารีบบอกด้วยไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรฉันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมีเธอเพิ่มมาอีกคน ก็ใช่ว่าจะเปลืองน้ำมันมากมายอะไรแต่ถ้าเธออยากจะช่วยจริงๆก็ให้ขาขนมคนขับบ้างก็แล้วกันเขาชื่อนายสุขพรุ่งนี้เธอก็จะพบเขาเอาละกลับไปพักผ่อนได้แล้วหนุ่มน้อยก้มลงกราบครูสอนหนึ่งครั้งแล้วจึงลุกออกมาหนุ่มเจริญจ่ายค่าเรียนดนตรีไทยเพียงเดือนแรกเท่านั้นเดือนถัดมาคุณโกสม พญาครูสอนก็บอกสามีว่าไม่ให้คิดค่าเรียนจากเขาท้ายัางสั่งหนุ่มน้อยให้มากินข้าวที่เรือนใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลาหุงหากินเองเช่นแต่ก่อนคุณโกสุงเกิดถูกชะตากับเขาเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาจะมาช่วยอยู่เสมอแล้วเธอก็ได้เห็นอุปนิสัยที่แท้จริงของเขาที่หนักเอาเบาสู้ไม่เคยนั่งดูไดย้ยิ่งรู้ว่าหนุ่มเจริญ มีเชื้อสายผู้ลากมากดีเธอก็คิดไกลถึงขนาดอยากได้เป็นบุตรเขยพยายามให้แม่รัตนาได้ใกล้ชิดกับหนุ่มน้อยแต่หลานชายหลวงทารา ก, ก็ไม่ได้มีท่าทีต่อบุตรสาวคนเล็กของเธออดรนทนไม่ไหวจึงเลียบเคียงถามในเย็นวันหนึ่งพ่าเจริญเห็นแม่รัตนาของฉันเป็นอย่างไรบ้างเธอก็ดีนี่ครับ เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้วญาติๆผมที่บ้านสามกระไดยัยงสู้เธอไม่ได้พวกเธอซุกซนอย่างกับเด็กผู้ชายเขาหมายถึงลูกสาวคุณสายจิตแล้วเธอชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะผมก็ชอบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงสิครับตอบตามตรงถ้าเช่นนั้นเธอก็คงจะชอบแม่รัตนาของฉันครับผมชอบเธอมากๆ ชอบพอๆกับญาติผมที่บ้านสามกระไดฉันหมายถึงว่าชอบแบบคู่รักนะ่ะคุณโกสมพูดตรงไปตรงมาผมไม่บังอาจหรอกครับคุณป้าเพราะถ้าผมคิดกับเธอแบบนั้นก็เท่ากับผมเป็นคนเนรคุณคุณยายสอนผมเสมอว่ากินบนเรือนแล้วอย่าขี้รรสลังคาผมไม่กล้าคิดกับคุณรัตนาแบบนั้น และจะไม่มีวันคิดเป็นอันขาดเธอช่างเป็นคนดีและเกินฉันชอบเธอมากนะพ่อเจริญแล้วก็บอกตามตรงว่าถ้าได้เธอมาเป็นลูกเขยฉันคงนอนตายตาหลับแต่เอาเถอะถ้าแม่รัตนาของฉันมีบุญวาสนาก็คงจะได้พบคู่ที่ดีเช่นเธอเธอต้องได้พบคนดีอย่างแน่นอนครับคุณป้าเพราะคนดีย่อมได้พบกับคนดีด้วยกันคุณป้าอย่าห่วงเรื่องนั้นเลยครับ ถามจริงๆเอถอทำไมพ่อเจริญถึงไม่สนใจแม่รัตนนาของฉันหรือว่าเธอมีคู่รักแล้วหนุ่มน้อยรีบตอบเสียงหนักแน่นว่าไม่มีหรอกครับคุณป้าผมตั้งใจว่าจะไม่รักใครเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงเขาต้องมาทุกข์เพราะผมผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข์นะครับคุณป้าคุณโกสมทำหน้าพิสวง หนุ่มน้อยจึงอธิบายว่าผู้หญิงมีทุกข์มากตอนคลอดลูกบางรายถึงกับเสียชีวิตผมถึงว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงทุกข์ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนใดต้องทุกข์ทรมานอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่คิดรักใครถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพ่อเจริญคิดจะบวชตลอดชีวิตหนุ่มน้อยตอบทันทีว่า ไม่ครับคุณป้าผมเกลียดพระ